คำสวรรค์ท่านโพธิธรรมธรรมชาติแห่งความตื่นรู้คือจิตจิตคือพุทธะพุทธะคือทางทางนั้นและทางทางนั้นคือเซนคำนำการศึกษาปฏิบัติธรรมนั้น มีหลากหลายนิกายหลากหลายวิธีมากมายนักในปัจจุบันเซนเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาที่น่าสนใจมากเพราะได้ตัดเอาพิธีกรรมขนบธรรมเนียมและสิ่งอนันเป็นเปลือกนอกออกไปคงไว้แต่การปฏิบัติที่ตรงต่อมักผลโดยแท้จริงจนบางครั้งได้รับการเรียกขานว่าเป็นการปฏิบัติแบบเฉียบพลัน ที่ว่าเฉียบพลันนั้นหมายถึงการไม่เยินเยอะไม่หลงไปวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารสาระตัดตรงเอาแต่สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระสําคัญของมรรคผลโดยตรงเซนจึงเน้นเอาแต่เรื่องของการเฝ้าดูศึกษาธรรมชาติภายในของตนเองเป็นสําคัญโดยไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งอันเป็นเปลือกนอกทั้งหลาย ส่วนผู้ใดจะบรรลุผลได้เร็วหรือช้าเพียงใดนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติในแบบใดก็ล้วนขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนเป็นหลักอันได้แก่ศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญานั่นเองในการศึกษาเซนนั้นมีผู้เข้าใจผิดกันมากว่าหากตนเข้าใจเซนชัดแจ้งแล้ว ด้วยการอ่านและคิดพิจารณาเท่านั้นตนก็จะบรรลุถึงมรรคผลได้โดยไม่ต้องเพียรพยายามปฏิบัติอันใดอีกจนทำให้มีผู้หลงนอนใจอยู่ในปัญญาอันเนื่องมาจากสัญญาสังขารนี้โดยมักจะหลงคิดว่าตนได้แจ้งต่อจิตเดิมแท้แล้วจริงๆบ้างตนได้แจ้งในวิมุติภาวะแล้วจริงๆบ้างก็เลยประมาทนอนใจ ทั้งๆ ท, ที่เป็นเพียงภาวะแห่งการปรุงแต่งของกิเลส ท, ที่หลอกเอาทั้งสิ้นสมดังที่ท่านโพธิธรรมได้เคยพยากรณ์ไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าจะมีผู้เข้าใจธรรมของทางทางนี้มากมายนักแต่จะหาผู้รู้จริงแจ้งจริงนั้นได้ยากนัก ที่ทำถือว่าเป็นบรมคูที่สำคัญยิ่งของนิกายนี้ท่านเป็นองค์แรกที่นำคำสอนแนวนี้มาเผยแผ่ในประเทศจีนโดยได้ประยุกต์รวมกับคำสอนของเต๋าที่มีอยู่เดิมแล้วจนได้รับฉายาเป็นภาษาจีนว่าป ร, รมาจารย์ตักหมอคำสอนของท่านถือว่ามีความสำคัญมากในการศึกษาปฏิบัติ เราบเป็นรากฐานและแนวทางที่สำคัญที่สุดในการดำเนินจิตของนิกายนี้จะว่าไปแล้วท่านก็เปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดเซนในประเทศจีนนั่นเองข้าพเจ้าได้รวบรวมเรียบเรียงคำสอนของท่านโดยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อ The Saint Teaching of p r o t h a m a ที่แปลมาจากภาษาจีนโดยท่านผู้ใช้นามปากกาว่าเลดพายอันเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่ดีมากและได้รับความนิยมที่สุดข้าพาเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะให้ท่านผู้สนใจศึกษาได้เข้าใจหลักการที่แท้จริงของเซนหรือจะว่าไปแล้วก็คือหลักการที่เป็นแก่นสำคัญของมรรคผลนั่นเองเพราะท่านโพธิธรรม ได้สรุปรวบรวมถึงสิ่งสำคัญที่จําเป็นในการดาเนินมัชไว้ได้อย่างดียิ่งคำสอนของท่านนั้นจะเน้นให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรงต่อสัจธรรมเป็นสำคัญและให้ผู้ฟังเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจนจนสามารถดาเนินมัชของตนได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง แม้นศาสนาพุทธจะมีการแตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆมากมายซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ว่าของตนดีของตนถูกต้องแต่โดยแท้จริงแล้วก็ล้วนมาจากต้นกําเนิดเดียวกันและมีหลักการที่เป็นสาระแก่นสารเหมือนกันดังนั้นพวกเราจึงควรเปิดใจให้กว้างอย่าได้คับแคบด้วยทิฏฐิมานะยอมรับจุดดีของผู้อื่น อันอาจจะทําให้เราเกิดความชัดแจ้งในมรรคาสู่ความพ้นทุก์ได้ง่ายขึ้นก็ได้ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทําหนังสือเล่มนี้ทุกท่านขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสศึกษาอ่านหนังสือเล่มนี้จงเกิดปัญญาแจ้งชัด ในทางแห่งมรรคและเพียรพร้อมไปด้วยคันติวิริยะในการที่จะดำเนินจนบรรลุซึ่งมรรคผลนผิพพานด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธชยธรรมโมภิกขุสารบาน บทสรุปแห่งการปฏิบัติหน้าหนึ่งคำสอนที่เป็นดั่งกระแสเลือดหน้าเจ็ดคำสอนแห่งการปลุกให้ตื่นหน้า35าคำสอนเพื่อความหลุดพ้นหน้า61ปรากฏการทั้งหลายล้วนว่างเปล่า มันไม่ได้มีสิ่งใดที่มีค่าน่าปรารถนาความรุ่งเรืองและความหายณนะล้วนพลิกพันแปรเปลี่ยนไปมาบทสรุปแห่งการปฏิบัติเอาลายอ้ right practice มีถนนหลายสายที่นำไปสู่ทางทางนี้แต่โดยพื้นฐานแล้ว มีเพียงแค่สองทางคือทางแห่งหลักการและเหตุผลทางแห่งการปฏิบัติทางแห่งหลักการและเหตุผลหมายถึงการเข้าใจแจ้งชัดถึงแก่นแท้ของธรรมจากคําสอนและมีความเชื่อว่าสรรพชีวิตทั้งหลายล้วนมีธรรมชาติเดิมแท้เดียวกันแต่ที่มันไม่สามารถปรากฏออกมาได้ เพราะถูกปกลุ่มด้วยความรู้สึกสัมผัสทั้งหลายและโมหะความหลงบุคคลผู้ที่สามารถพลิกจากความหลงกลับมาสู่ความเป็นจริงคือบุคคลผู้นั่งสงบนิ่งอยู่ต่อหน้ากำแพงอ้างอิงบุคคลผู้นั่งสงบนิ่งอยู่ต่อหน้ากำแพงภาษาอังกฤษใช้คำว่า m e ื่อตรวจสอบโดยกิริยาเป็นอาการของท่านโพธิธรรมที่นั่งสมาธิโดยหันหน้าเข้ากำแพงในถ้มอยู่เป็นเวลาถึง9ปีเพื่อคอยพบลูกศิษย์ผู้สมควรแก่การรับการถ่ายทอดธรรมะแต่โดยจิตหมายถึงสภาวะจิตที่สงบนิ่งโดยไม่อะไรกับอะไรทั้งปวงนอกเหนืออาการเคลื่อนไหว หรือนิ่งสงบนอกเหนือรู้หรือไม่รู้อิสระจากปรากฏการณ์และสภาวะทั้งปวงผู้เรียบเรียงบุคคลผู้นั่งสงบนิ่งอยู่ต่อหน้ากำแพงเป็นผู้ปราศจากความเห็นอันแปลกแยกในความเป็นอัตตาตัวตนบุคคลเราเขาปรศจากการให้ความแตกต่างระหว่างปุถุชนและพุทธะ เป็นผู้ที่มั่นคงหนักแน่นไม่คลอนแคลนแม้จากคำภีใดๆเป็นผู้ยอมรับหลักการและเหตุผลอย่างสมบูรณ์นิ่งสงบด้วยความหนักแน่นมั่นคงและมิได้ดิ้นรนพรยายามใดๆเขาเป็นผู้ที่เข้าถึงทางโดยทางที่เรียกว่าทางแห่งหลักการและเหตุผลทางแห่งการปฏิบัติ หมายถึงหลักการปฏิบัติ4อย่างคือ 1. ่ยอมรับชะตากรรม 2. แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่ได้ยึดติด 3. ไร้าการดิ้นรนสแสวงหา 4. ทุกขณะคือการปฏิบัติธรรมประการแรกยอมรับชะตากรรม บุคคลผู้สแสวงหาทางเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมหรือภัยพิบัติเขาควรจะคิดว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาอันยาวนานเราได้ประสบกับเรื่องที่มีสาระและไม่มีสาระมากมายท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่บางครั้งโกรธเครืองโดยไม่มีสาเหตุกระทําผิด บ, บาปอย่างนับครั้งไม่ถ้วนแม้ตอนนี้ เราจะไม่ได้กระทำอะไรผิดแต่เรากำลังถูกลงโทษโดยวิบากกรรมในอดีตไม่มีใครหรือเทพเจ้าที่ไหนที่จะรู้ล่วงหน้าซึ่งผลแห่งกรรมเหล่านี้ฉันขอเปิดใจยอมรับโดยไม่บ่นว่ามันไม่ยุติธรรมพระสูตรกล่าวไว้ว่าเมื่อเธอประสบเคราะห์กรรมอย่าได้เสียใจไปเลย เพราะว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ด้วยความเข้าใจเช่นนี้เธอจะเป็นผู้ที่สอดคล้องกับเหตุปัจจัยและโดยการยอมรับชะตากรรมด้วยใจที่เปิดกว้างไรเงื่อนไขเช่นนั้นเธอได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงทางแห่งธรรมประการที่สองแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่ได้ยึดติดในฐานะบุตุชน เราย่อมถูกควบคุมโดยเหตุปัจจัยต่างๆมากมายหาใช่จากตัวเราเองไม่ทั้งความทุกข์และความสุขที่เราประสบก็ล้วนมาจากเหตุปัจจัยถ้าเราประสบกับสิ่งดีๆลาบยศสรรเสริญมันล้วนเป็นผลของกรรมดีที่เราทำไว้ในอดีตเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนมันก็จบลงยายต้องไปยินดีอะไรกับมันเล่า การที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมันล้วนขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจิตใจจึงไม่ควรไปฟูหรือแฟบตามมันผู้ที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับลมแห่งความยินดีเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าอยู่ในทางอย่างเงียบๆประการที่สามไร้การดิ้นรนสแสวงหาผู้คนในโลก ล้วนถูกหลวงหลอกพวกเขามกมุ่นมัวเมาอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเสมอยินรนสแสวงหาอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนแต่ผู้รู้กลับตื่นขึ้นใช้เหตุผลมากกว่าความเคยชินคงรักษาใจให้บริสุทธิ์สงบโดยยอมให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียวปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนว่างเปล่า มันไม่ได้มีสิ่งใดที่มีค่าน่าปรารถนาความรุ่งเรืองและความหายณนะล้วนพลิกผนันแปรเปลี่ยนไปมาการหลงติดจมอยู่ในโลกทั้งสามเปรียบเหมือนการจมอยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้การมีร่างกายคือความทุกข์มีใคร ที่มีความสุขกับร่างกายได้จริงบ้างบุคคลผู้เข้าใจสัจจะความจริงอันนี้ย่อมปล่อยวางการยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหยุดการเพอร้อฝันหยุดการดิ้นรนสแสวงหาใดๆอีกพระสูตรกล่าวว่าการดิ้นรนสแสวงหาเป็นความทุกข์การไม่ได้ดิ้นรนสแสวงหาสิ่งใดเป็นความสุขเมื่อเธอไร้ซึ่งการสแสวงหา เธอย่อมอยู่บนทางประการที่สทุกขณะคือการปฏิบัติธรรมธรรมะคือความจริงที่ว่าธรรมชาติทั้งหลายล้วนบริสุทธิ์อยู่แล้วในตัวมันเองโดยความจริงอันนี้ปรากฏการทั้งหลายจึงล้วนว่างเปล่ากิเลสตัณหาอุปาทานตัวตนสภาวะต่าง มิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพระสูตรกล่าวไว้ว่าธรรมะมิได้มีความเป็นคนสัตว์บุคคลอยู่เพราะธรรมะปราศจากความไม่บริสุทธิ์แห่งความเป็นคนสัตว์บุคคลในธรรมะมิได้มีอัตราตัวตนอยู่เพราะธรรมะปราศจากความไม่บริสุทธิ์แห่งอัตรา บุคคลผู้ฉลาดพอที่จะเชื่อและเข้าใจสัจธรรมนี้คือผู้ที่มั่นแล้วอยู่ในการปฏิบัติธรรมเพราะมันเป็นความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีค่ายอย่างแท้จริงผู้รู้จึงสามารถเสียสละชีวิตร่างกายทรัพสมบัติให้เป็นฐานได้โดยปราศจากความเสียดายและมิได้ยึดติดในความเป็นผู้ให สิ่งที่ให้หรือตัวผู้รับมิได้มีความลำเอียงหรือหลงยึดติดในสิ่งอื่ น, น, ในๆใดๆเพื่อกำจัดความไม่บริสุทธิ์ต่างๆออกไปเขาสอนผู้อื่นโดยไม่ได้ยึดติดในรูปแบบด้วยการปฏิบัติธรรมนี้เขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่น และแจ้งสู่วิมุตติภาวะไปพร้อมกันและนอกจากเป็นการเจริญทานบารมีแล้วบารมีอื่นๆก็ได้เจริญควบคู่กันไปด้วยเช่นกันและแม้ในขณะที่เจริญบารมีทั้งหกเพื่อกำจัดโมหะความหลงเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่าได้ปฏิบัติธรรมใดๆนี่คือความหมายของข้อที่ว่าทุกขณะ คือการปฏิบัติธรรม